หลังจากได้บ้านหลังใหม่อยู่ ใ, น ใ, นในกล้กับนัชเลจองเริกก็หาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะตั้งและอุปกรณ์สำคัญมาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปใช้เครื่องที่บ้านพ่อและแม่บ่อยนักบ้านหลังแรกนี้ไม่ได้ดทำให้จองเลิกรู้สึกภูมิใจสักเท่าใดรู้สึกเหมือนมันเป็นที่ใช้สุขหัวนอนไม่กี่ปียังไม่ใช่บ้านในความรู้สึกที่แท้จริงอาจเป็นเพราะน้เลทำให้เขาเชื่อว่า เงินที่ได้จากการขโมยมันไม่น่าภาคภูมิใจเหมือนเงินที่ได้จากการทำงานเยี่ยงวินยูชนหลังจากคุมนำคอมพิวเตอร์เข้าบ้านใหม่เสร็จจองเกิกก็นั่งแท็กซี่ไปบ้านพ่อแม่เพื่อไปเก็บข้าวของที่เหลือไม่ได้รู้สึกใจหายที่จะย้ายของออกเพราะคิดว่าคงจะไปแปม า, มาเรื่อยๆอ๋อ อ๋อใครเอาเศษแก้วาทิ้งไว้เนี่ยจะฆ่ากันหรือไงอ้าวเริกลงไปนั่งทําอะไรตรงนั้นล่ะฮึก็เหยียบแก้วนี่ไงใครมาทําแก้วแตกไว้เนี่อ๋อแม่เองโธ่เอ้ยแล้วทําไมมันมาหล่นแตกอยู่ที่นี่ได้ล่ะแม่เมื่อกี้เนี้ยเอามาล้างแล้วหลุดมือความจริงกวาดไปแล้วกองหนึงนะ แต่พอดีมีโทรศัพท์เลยรีบไปรับก่อนใครจะไปรู้ลวว่าแกเนี่ยจ ะ, ะเถลเออร์ถล่ามาเจอดีเข้าแม่อะไรกันเนี่ยเห็นลูกเจ็บพ่อฝีมือตัวเองแล้วยังมีหน้ามาหัวเราะได้อีกอ่านี่ยาทำแผลเองนะเสร็จแล้วช่วยเก็บเศษแก้วให้ด้วยกันละกันแม่จะไปคุยโทรศัพท์ต่ออะไรกันเนี่ย ไม่คิดจะรับผิดชอบฝีมือตัวเองเลยใช่ไหมหัวเราะย่อยังไม่พอไม่ยอมทำแผลให้ก็ไม่ว่ายังไม่น่าให้มาเก็บเศษแก้วที่เหลืออีกกรรมน่ะเริกสายจำได้ไหมเริกเคยเปิดประตูกระแทกหลังนักเลงโตเห็นเุาเจ็บตัวแทนที่จะขอโทษกลับหัวเราะเยาะเขากรรมกรรมอะไรทำให้เราเหยียบเศษแก้วไม่รู้ แต่ละคือหัวเราะยาะเขาตอนนี้ก็โดนหัวเราย่อกลับคืนใช่ก ร, รมัมที่เธอเหยียบแก้วคราวนี้ไม่ใช่เพราะประมาทไม่ใช่ด้วยความจงใจของแม่เธอคนผิดไม่มีมีแต่ความจงใจของก ร, รมเธอเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีเหตุบังเอิญมีแต่ผลอันไหลมาจากเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เธอจําได้หรือไม่ได้ก็ตามเวลานี้เธอก็ได้เป็นผู้ถูกตัดสินจากวิบากกรรมแล้วก ร, รมัม วิบากกรรมคนเราอา จ, จไม่เก่งเกินกรรมของตัวเองเ อ, อจริงสิเรื่องที่น่าสงสัยที่สุดในโลกน่าจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมนี้เองถ้าเราสามารถพิสูจน์เรื่องกรรมวิบากได้ด้วยเทคโนโลยีให้คนยอมรับได้อย่างไม่มีข้อกังขาอย่างเรื่องของการเหยียบเศษก้วเมื่อกี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แตเป็นด้วยวิบากกรรมอะไรจะเกิดขึ้นโลกทั้งใบจะต้องพลิกเปลี่ยนโฉมไปแน่นอนถ้าเราทําให้ทั้งโลกยอมรับในกรรมวิบากอย่างไม่มีข้อกังขาได้โลกก็จะเปลี่ยนไปและกรรมชนิดนี้เองที่มันจะเป็นกรรมใหม่ที่จะทําให้เรารอดจากความสวยทั้งปวงได้รอแป๊บหนึ่งนะฝนมีสายเรียกซ้อนขอรับก่อนตามสบายเลยจ้า เขามาทำไมตอนนี้นะออวันดีพี่เคก้กจ้าตอยจำได้ไหมวันพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคนสำคัญที่สุดในชีวิตผมมันผู้ใดหรือวันเกิดนางในดวงใจแห่งตนมันผู้นั้นสมควรโดนฟ้าดด้วยแส้ชุบน้ำเยี้ยวให้เข็ดลบับ <c oughs> โหดจริงๆเลยจอมยุทธท่านนี้เออขอโทษนะพี่เคก้กพอดีผมติดอีกสายอยู่ธุระด่วนของเพื่อน นี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นสายของพี่เคก้กผมไม่ยอมรับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บผมโทรกลับนะนะครับอืมจะ้ะงั้นเสร็จธุระแล้วโทรหาพี่นะครับผมอ่าโทษทีนะครับฝนเพื่อนมันโทรมาขอให้ช่วยสอนกันบ้านหน่อยแต่ผมบอกมันไปแล้วว่าตอนนี้ต่อให้ท่านนายกมากดออดขอความช่วยเหลืออยู่หน้าประตูรั้วผมก็ต้องปล่อยให้ท่านรอไปก่อน <c oughs> อ๋อขนาดนั้นเชียว ที่เราคุยกันมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วตอยไปสอนการบ้านเพื่อนก่อนก็ได้ไม่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงยังน้อยไปเรายังคุยเรื่องเอ็นใหม่ของฝนค้างอยู่ไงเรื่องสาคัญนะ <c oughs> โอ๊ยมีสําคัญขนาดนั้นหรอกแค่ฝนไม่ชอบคณะที่เรียนอยู่เนี่ยและยอมเสียเวลาปีหนึ่งเพื่อให้อีกหลายปีของชีวิตที่เหลือเป็นไปตามใจชอบดีกว่าถ้าเป็นผมผมก็เสียดายเหมือนกันนะเท่ากับต้องเรียนทั้งหมดห้าปีเนะี่ย แต่ก็ดีแล้วล่ะผมกับฝนอนัดไปงานรับน้องด้วยกันผมจะปกป้องไม่ให้รุ่นพี่รังแกฝนเองสมัยนี้ก็ไม่ปล่อยให้รุ่นพี่รังแกน้องใหม่กันแล้วมั้งใครบอกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนใกล้บ้านผมเขามาเล่าให้ฟังเขาเล่นกันถึงขนาดเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาจี้กันเลยนะฮะจริงเหรอเนี่ยมีจริงแบบว่าทาโทษคู่ที่วิ่งสามขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับโลโอยตายแล้ว อุตส่าห์กอดข้าวิ่งกับพื้นมานี่เหนื่อยแค่แพ้ก็เสียใจยแย่แล้วยังต้องโดนไฟช็อตให้หนำใจรุ่นพี่อีก <sheets> เออนะ่แค่อําเล่นฟังเพลนิพลนๆก็เชื่อละผู้หญิงนี่เชื่อง่ายจริงๆนั่นแหละรุ่นพี่มันตั้งไฟไว้แบบ อ, อ่ อ, อนๆน่ะไม่เอาถึงจอดสนิทแต่ขนาดนั้นก็เล่นเอาชักสตาร์ตั้งปากเบี้ยวได้แล้วแกล้งจีบแบบไม่ให้รู้ตัวด้วยแค่บอกว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นคู่สุดท้ายจะมีรางวัลใหญ่ใครจะไปนึก ว่าหมายถึงการเจ็บตัวครั้งใหญ่อะโอ๊ยแย่จังเลยเนาะเล่นรับน้องึงแรงแข็งขึ้นทุกทีเห็นเป็นของสนุกพอตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบดีแต่ลงเป็นข่าวหน้าหนึ่งให้เฮือห้ากันเท่านั้นมนุษย์เราก็ประหลาดชอบเห็นความเจ็บปดวดและเรื่องน่าอับอายของคนอื่นเป็นของเล่นสนุกกันคิดอีกทางหนึ่งก็คือมนุษย์สนุกที่จะขุดลุมขวางไว้รอตัวเองเดินตกลงไปนั่นแหละมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น วันหนึ่งก็ต้องเป็นทุกสังเวยความสุขให้กับคนอื่นบ้างเฮ้ยวกเข้าเรื่องธรรมะอีกแล้วผู้หญิงบ้านนี้เป็นยังไงกันนะช่างธรรมะทำโมกันเลิกเกินเออฝนครับผมดีใจที่เจอฝนวันนี้นะแปลว่าเจะวันอื่นจะไม่ดีใจเหรอคุยกับฝนนานๆเดี๋ยวผมนอนไม่หลับคืนนี้รบกวนมานานแล้วอ่ะอะไรกันนึนกว่าอยากวางก็จะวางเลยเหรอเห็นเราเป็นอะไรกันเนี่ย ฝนก็มีธุระต้องทำาบดีคงแค่นี้ก่อนนะทำเสียงอย่างเงี้ยถ้าจะมีเครือต้องอดใจหน่อยไว้เดี๋ยวหมดโอกาสจีบน้องสาวเขาครับแต่ก่อนวางผมมีอะไรจะบอกบอกอะไรเหรอบอกแล้วห้ามโกรธนะทำไมจะแกล้งเอาตแตรมาบีบแป้นใส่หูเหรอเอ้ย <c oughs> ใครจะกล้าผมแค่จะบอกว่าฝนหุ่นดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาตอนเล่นแบบแรกๆฝนยังวิ่งได้คล่องตัว หน้ามองมากเลยเสียฐายแรงตกเร็วไปหน่อยฝนน่าจะเล่นกีฬาให้แข็งแรงกว่านี้นะก็สอนฝนให้เล่นเก่งย่างต่อยมั่งสิได้เลยเอาไว้เราไปเล่นกันสองคนบ้างไหมล่ะผมจะช่วยปูเบสิกให้ฝนใหม่หมดเลยแล้วค่าสอนแพงหรือเปล่าอ่ะเรียนฟรีมีข้าวกลางวันแถมอุ้ยโรมบลชั่นที่ไหนใครเป็นคนเริ่มเนี่ยก็คนที่กาลังขอนัดฝนเล่นแบบนี่แหละที่เริ่มเอาเป็นพรุ่งนี้เช้าเลยเป็นไง พรุ่งนี้เช้าเลยเหรอใช่พรุ่งนี้แหละก็ได้ที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมผนจะเห็นผมรออยู่ก่อนแน่นอนห้ามาช้านะถ้าช้าให้ทำอะไรก็ได้ทีหนึ่งอยากรู้ว่าถ้าต่อยคนชื่อต่อยสักทีแล้วมันจะเป็นยังไงอย่าต่อยตรงหัวใจลักกันแล้วจะไม่เป็นไรเลยเท่า <c oughs> นี้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะ ฝนยุ่งอยู่หรือเปล่าเฮ้ว่าไงไม่ยุ่งหรอกกำลังอยากคุยกับทายอยู่พอดีเลยอะอารมณ์ดีเ้วยออะไรน่ะฝนนาเป็นประกายเชีนะต่อยเขาโทรมาหาฉันแล้วเพิ่งวางสายเมื่อกี้นี่เองฮ่าฮ่าฮเลล่ะทั้งหล่อทั้งคุยสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าฉันไปเล่นแบดด้วยนะฮะไปกันสองคนเหรอใจแย้ยวฝน แต่ฝนเป็นแฟนพี่แอมอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเลิกกันแล้วใครบอกเลิกใครแล้วเลิกเมื่อไหร่เลิกกันทําความรู้สึกไม่ได้สักระยะนึงแล้วละ่ะแน่ใจนะว่าไม่ใช่เพิ่องอยากเลิกเมื่อกี้ทรายทรายไว้ใจตัวเองได้ยังไงก็คุณไว้ใจฝนได้อย่างงั้นนี่นก็ฝนใจง่ายแค่เจอเหยื่อล่อใหม่เข้าหน่อยก็ทิ้งคว้างคนเก่าไม่เหลียวแลเหรอใจฝนกับใจทรายมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละ ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างและต่างกันตรงไหนบ้างแล้วทำไมต้องทำหน้าดุ ด, ด้วยล่ะสายซีเรียสซะอย่างกับฝนไปก่ออากรรมอะไรมางั้นแหละฝนดูไม่ออกเหรอแต่นี่นางเสือผู้หญิงชัดๆเอาอะไรมาตัดสินเลิกบอกเธอเหรอสายเชื่อสายตาตัวเองแล้วก็เคยถามเลียบเคียงดูจากเลิกด้วยเลิกก็ไม่ปฏิเสธนะทำไมสายตัดสินคนง่ายอย่างนี้ล่ะ เห็นเขาหล่อหน่อยก็หาว่าเป็นเสือผู้หญิงอย่างเนี้ยผู้หญิงเราก็หมดสิทธิ์มีแฟนหล่อๆกันพอดีนะสิเล่นโดนเหมารวมกันแบบนี้ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ไปสูจน์ตัวเองซะก่อนเลยจะพูดยังไงให้ฝนเข้าใจดีนะเรามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันเป็นสัมผัสจากภายในที่ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนจะตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดูผู้ชายหรือไงตัวเองผ่านแฟนมาสักคนด้วยก็เปล่า เพื่อจะมีคนแรกกับเขาเร็ ว, รวนี้แหละทำเป็นมอนสอนฝนความจริงทายควรกระดิกกระดาไปกับเธอไม่ควรทักเธอให้เสียเส้นแบบนี้แต่ทายขอพูดตามตรงทายไม่ไว้ใจเขาเลยฝนเองก็รู้จักความสงบของจิตทำไมไม่เห็นว่าจิตของเขาดิ้นพล่านขนาดไหนเขามีความร้อนมีอัตตาที่แตกต่างจากเราเป็นคนเลวๆคนละพวกชัดๆเลยมีรู้ละ จะคบสยอย่างใครจะทำมาอยากรู้ว่าทุกควบคุมไม่ให้มีอะไรเสียหายจะต้องไปแคร์อะไรแค่เริ่มต้นก็มีเรื่องให้หน้าแคร์แล้วล่ะเหมือนฝนแปลกไปฝนรับนัดเขาทั้งที่ยังไม่พูดเคลียร์กับพี่เอ็มให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยต้องพูดทำไมล่ะบอกแล้วว่าเลิกคบกันทางความรู้สึกไปแล้วโทรหากันอยู่ก็แค่ถามไทยสารทุกสุขดิบยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นแหละแหมเสียเส้นหมด ไม่น่าเล่าให้ฟังเลยแทนที่จะนั่งเมาส์กันมันๆแดนทำหน้าเหมือนผู้คุมนักโทษซะงั้นแหละซายอาจจะคิดมากไปก็ได้ฝนก็รู้ว่าซายรักพี่สาวของตัวเองขนาดไหนแล้วซายไม่มีสิทธิ์ห่วงฝนบ้างเหรอซายเจอเพื่อนของเรือคุนนี้ทีแรกก็ไม่ถูกชะตาเลยอธิบายได้ง่ายๆด้วยท่าทางเขาเป็นคนมีจิตใจกลิ้งกันล่อนไปเรื่อยแล้วก็เห็นผู้หญิงเหมือนลูกไก่ในกำมือไปหมด แต่ว่ามันอาจเป็นอคติของายก็ได้ซายอาจจะมองผิดซายขอโทษแล้วจะเราฟังจากฝนว่าซายคิดผิดจริงๆขอใจที่เป็นห่วงจ้าแต่อย่าลืมนะว่าซายเป็นคนพาเขาไม่รู้จักกับฝนเองก็เพราะอย่างนี้แหละถึงได้เป็นห่วงด้วยรู้สึกผิดด้วยไม่น่าเลยเราเย็นนั้นจองเลิก มาสอนคอมพิวเตอร์นัชเลตามปกติแต่เขาไม่ได้มามือเปล่าพกโน้ตบุ๊กยี่ห้อแพงรุ่นล่าสุดมาด้วยมันมีขนาดเล็กดีไซน์สวยเก๋สะดุดตาจนทำให้หนัชเลมองมาด้วยสายตาเป็นประกายพราวว้าวสวยจังซื้อใหม่เหรออืมมันดูเหมือนเครื่องประดับมากกว่าอุปกรณ์ใช้งานใช่ไหมล่ะโอ้โหหน้าจอซูเปอร์วีเเเซ็ด้วย แสงแรงเจิดจ้าสีสดคมชัดสมจริงสุดยอดเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยแสนกว่าอยยังแพงอยู่เนาะถ้าลดลงมาเหลือสักสองหมื่นค่อยน่าซื้อหน่อยไม่ต้องรอให้เหลือสองหมื่นหรอกเราซื้อเครื่องนี้มาให้ซ้ายเองเอ๊ะทำไมซ้ายเงียบไปไม่พอใจอะไรหรือเปล่าไม่ถูกใจเหรอเปล่ารุ่นนี้ถูกใจซายมาก เคยเดินผ่านๆก็แวะมองด้วยความชื่นชมอยู่เหมือนกันขอบใจนะเริกนั่นสิแล้วทำไมถึงทำหน้าชอบกวนอย่างนั้นล่ะคือเออมันแพงไปอ่ะดูแม่ว่าปุถโทเอ้ยคิดมากนะไม่หรอกเริกมาสอนทายเสียทั้งเวลาทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วต้องมาเสียเงินซื้อคอมให้ใหม่อีกรู้ไปถึงไหนทายถูกเรนานำถึงนั่น ถือเป็นรางวัลความขยันของซไซไงโน้ตบุ๊กตัวเดิมของซไซมันเก่าเกินไปแล้วช้าก็ช้าหนื่อยความจําก็น้อยจอก็เริ่มมีจุดบอดด้วยสมควรหาเครื่องใหม่มาใช้เสีทีเธอเรียกว่าความของไซมันไม่ดีเอาไว้ไซจะขอเครื่องใหม่จากพ่อแม่เองแล้วกันนะลูกเครื่องนี้ล่ะเราตั้งใจซื้อมาให้ซไซนะรู้ไม่ว่าเราใช้เวลาเดินเลือกนานขนาดไหนทําไมถึงพูดให้เสียน้ําใจกันอย่างนี้ล่ะ ถ้าเริกซื้อเครื่องนี้ด้วยเงินบริสุทธิ์สายคงนึกขอบคุณแต่นี่ซายเราขอโทษที่ไม่สามารถทำให้สายรู้สึกภูมิใจในตัวเราได้เลิกสายรักเลิกนะซายสายรับรักเราแล้วแต่ว่า ทายเกลียดเงินของเร่เพราะเงินของเร่ทาให้ทายเกลียดตัวเองถ้าวันนี้สายใจอ่อนรับของจากเร่ก็เท่ากับส่งเสริมให้เร่เห็นคุณค่าของเส้นทางแบบเดิมในเมื่อทายได้ช่วยดึงเร่ให้ออกมาจากเส้นทางเดิมแล้วสายก็ไม่อยากให้เร่กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกของดีๆแพงๆนะ่ะใครก็อยากได้ทายก็ไม่ต่างจากคนอื่นเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ทรายแต่สินใจเลือกที่จะไม่รับของนั้นก็เพื่อสร้างกรรมให้อยู่เหนือความเป็นคนธรรมดาเพื่อจะได้มีความสุขความปลอดภัยและความร้ายกังวลเหนือคนธรรมดาทั้งหลายเชื่อทายเทนา์เรกไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับกรรมทางใจถึงแม้ว่าจะเหลือเชื่อปานใดก็ตามเข้าใจแล้วตกลงเราจะาไปบริจาคให้ใครสักคน ที่เขาฝันอยากได้มันถ้าเลอกตั้งใจทํางานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานได้นี่ไม่หรอกเรามีคอมเยอะแยะแล้วจเจ้าเครื่องนี้เราตั้งใจเลิกมาให้เหมาะกับซายคนเดียวถ้าซรายไม่เอาเราก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําไมขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรถ้าทายรังเกียจเงินสกปรกของเราจริงๆเราก็จะทิ้งมันไปให้หมดฮะทิ้งได้จริงๆเหรอ จริงวันที่เราเจอซายเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับายแต่ถ้าายไม่เอาจะสั่งให้เราทิ้งมันเพื่อความสบายใจก็ได้ถ้างั้นเรามาช่วยวางแผนทิ้งเงินพันล้านกันเริ่มจากที่เราจะมองเงินทั้งหมดนี้เป็นของกลางของโลกจะไม่เบิกมาใช้ดับไดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เกื้อกูลกับโครงการทำสาธารณประโยชน์ของเราจากนั้น ก็เริ่มงานลําดับแรกด้วยการให้เลือกไปเรียนต่อเพื่อให้ได้วุฒิระดับด็อกเตอร์มาให้ได้ย่อมเสียเวลาสัก10ปีแล้วเอาเงินตรงนี้แหละมาส่งเสียตัวเองแล้วก็หาทางจัดตั้งมหาวิทยาลัยสักแห่งระดมคนเก่งมาช่วยกันสอนแฮกเกอร์หรือคนที่มีแนวโน้มจะเป็นแฮกเกอร์ทําให้มหาวิทยาลัยโด่งดังและมีแดงดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกมาสนใจเรียนโดยเธอเป็นคนวางหลักสูตรที่ไม่เคยมีใครวางมาก่อน รวมทั้งสอนแบบที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นลึงจากนั้นก็คงมีโอกาสสอดแทรกจริยธรรมให้กับนักศึกษาไซเชื่อว่าพวกเขาจะบูชาเธอและคำพูดของเธอจะมีน้ำหนักมีความศักดิ์สิทธิ์พอถูกของไซถ้าเราแสดงให้โลกได้รู้ว่าเราคือมือหนึ่งทุกคนก็ต้องสนใจมาเรียนกับเราและไม่ใช่แค่นั้นทุกคนน่าจะอยากฟังเจ้าแห่งปีศาจแฮกเกอร์ acker, พูดถึงแก่นชีวิตแฮกเกอร์ ตรงนั้นคงเป็นโอกาสให้เราป้อนมุมมองดีๆปลุกฝังจิตสำนึกที่งดงามให้กับพวกเขาได้มากแทนที่จะวิชาไปทำชั่วก็เปลี่ยนมาช่วยกันอุดช่องโหวและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กันให้สนุกไปเลยและจากความคิดนี้ทำให้เราเกิดไอเดียขึ้นมาอย่างหนึ่งละอะไรเหรอเราจะทุ่มเงินอาจจะทั้งหมดที่มีและทุ่มเวลาอาจจะทั้งชีวิตที่เหลือ ให้กับการพิสูจน์ว่าวิบากกรรมมีจริงหรือกระทั่งพยากรณ์ได้ว่าทําอะไรแต่ละอย่างแล้วจะเกิดผลอย่างไรช่วยให้มนุษย์หายสงสัยและหันมาเชื่ออย่างสนิทใจว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างเนี้ยอย่าว่าแต่แฮกเกอร์จะไม่กล้าเกเรอละวาดอีกวันหนึ่งพวกตีนแมวนักค้ายาต่อจนผู้ ก, ก่อการร้ายอาสไลต์ตัวไปกว่าครึ่งโลกเธอจะสร้างเครื่องพยากรณ์กรรมเหรอ ถูกต้องเราคิดดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีตู้วิเศษตอบคำถามเรื่องกรรมวิบากได้อย่างพ่อหมะ อ, อุปการะและไม่ใช่แค่ตู้เดียวที่ดูแลคนได้มีกี่สิบกี่ร้อยต่อเดือนแต่มากเป็นหมื่นเป็นแสนตู้กระจายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมวิบากและการเวียนว่ายตายเกิดให้คนได้นับล้านๆต่อวันเครื่องพยากรณ์กรรมในขณะนี้ ยังเป็นเพียงเขาโครงความคิดของสองหนุ่มสาวหากจะให้สิ่งนี้เป็นรูปเป็นร่างก็ต้องใช้เวลาสำรวจแนวทางที่เป็นไปได้และยังมีความยุ่งยากซับซ้อนอีกหลายอย่างที่อัจฉริยะอย่างจองเลิกก็ไม่แน่ว่าจะทําสําเร็จภายในหนึ่งชั่วอายุคนแต่ถึงอย่างนั้นหากเขาเริ่มต้นพื้นฐานของเครื่องมือนี้ไว้ได้อย่างดีเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งสัก50เอร์เซนแล้วที่เหลือก็ให้คนรุ่นหลังสารต่อ ไม่สำคัญหรอกว่ามันจะสำเร็จสมบูรณ์ที่ใครรุ่นไหนแต่เมื่อไหร่ที่เครื่องพยาก ร, กรณ์กรรมนี้สำเร็จประวัติศาสตร์มนุษยชาติย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรแน่นอน